สิกขาบทวิพัง155ภิกษุที่ชื่อว่าได้รับการแต่งตั้งแล้วคือได้รับการแต่งตั้งด้วยยติจตุตกรรมเมวาจาแล้วคำว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัศดรงแล้วคือเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วที่ชื่อว่าภิกษุนีทั้งหลายได้แก่มาตุคามผู้ที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายคำว่าสั่งสอนความว่าภิษุสั่งสอนครูธรรม8อย่างหรือทำอย่างอื่นต้องอบัตปาจิตตี